วันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยธรรมจักกปะปวัตนสูตรแปลและเรียบเรียงโดยพระคันธศาลาพิวงศ์พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายการศึกษาวัฒธาโออำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ